บทที่45ศิลาจารึก<ต>เนื่องจากทรงศรัท ธ, ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งและทรงเชื่อ ว, ว่าเมื่อปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจกบรรลุ ค, ความสุขอันสมบูรณ์ประชาชนและรัฐจกรุ่งเรือง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 เมื่อน้าอีกด้วยพระบารมีซึ่งพระองค์บำเพ็ญและประกาศจักชวนให้ประชาชนบำเพ็ญมีปรากฏในจารึกต่อไปสมอุทิศพระองค์เป็นธรรมธาตุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปิยทัศสี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 การประพาธเพื่อธรรมในพระราชะกำหนดที่8มีจารึกว่าในอดีตการพระเจ้าเทวานันปิยะทั้งหลายคําว่าเทวานางปริยะในจารึกใช้เป็นรัตชัอิสริยยศของกษัตริย์เช่นเดียวกับคําว่ามหาธรรมราชาของไทยได้เคยเสด็จประพาธเพื่อความสําราญในการประพาทนั้น